ก็ความในจริยาปิดกต่อจากครั้งที่แล้วที่มาขึ้นปัญหาข้อที่8เนี่ยนะอะไรคือความผ่องแผ้วของบารมีทั้ง10ว่าเรารู้ได้ยังไงว่าบารมีผ่องแผ้วหรือไม่คำตอบก็คือบารมีทั้ง10ไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมี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 ปัญญาบา ร, รมีไม่เศร้าหมองก็เพราะว่าไม่มีการยึดถือว่าเราว่าเป็นของเราวิริยะบา ร, รมีก็ไม่มีความหดหู่ไม่มีความฟุ้งซ่านขันติบา ร, รมีก็ไม่กำหนดตนไม่กำหนดผู้อื่นสัจจะบา ร, รมีก็กล่าวแต่วาจาที่เป็นจริงสืบเนื่องแต่ถ้อยคาที่เป็นจริงอธิฐานบา ร, รมีก็รู้คุณ รู้โทษของการไม่เจริญกุศลรธรรมและก็รู้คุณของการเจริญกุศลรธรรมที่เป็นคุณธรรมต่อการบรรลุสัมโพธิญาณเมตตาบารมีก็น้อมนำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไปให้มุ่งกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปส่วนอุเบขาบารมีก็ไม่มีว่าอะไรน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนานี่อีกในหนึ่งส่วนอีกในหนึ่ง บารมีแต่ละข้อไม่ถูกตันหาฉาบทารูปไล้ไม่ถูกมานะรูปไลยและฉาบทาไม่ถูกครอบงำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิไม่ถูกความโกรธความผูกโกรธครอบงำไม่มีการลบหลู่ตีเสมอไม่มีความริษยาไม่มีความตรณีไม่มีมายาไม่มีสาไทยมายาความหลอกลวงสาไทยก็คือความโอ้อวด ไม่มีถ้มพะถือตัวสารัมพระแข่งดีไม่มีความประมาทไม่ถูกความเมาแล้วก็ไม่ถูกความประมาทครอบงำกุศลธรรมทั้งหลายมีฐานเป็นต้นที่ไม่ถูกครอบงำด้วยตัณหามานะทิฏฐิความโกรธความผูกโกรธลบลูต่ตีเสมอความริษยาความตรนีเป็นต้นกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นความผ่องแผ่บารมีแต่ละข้อที่ผองแผ่ก็เพราะว่า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 อะไรเป็นปฏิปักษ์ต่อบารมีแล้วก็บารมีนั้นเป็นปฏิปักษ์กับอะไรก็อย่างที่กล่าวว่าอกุศลธรรมทุกชนิดบาปประธรรมทุกชนิดเป็นปฏิปักษ์ต่อการสร้างบารมีอเช่นความตระหนี่เป็นต้นเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อการให้ทานความโกรธเป็นต้นก็เป็นปฏิปักษ์ต่อการรักษาศีลมันบาปอกุศลธรรมที่กล่าวไปแล้วนี่แหละเป็นปฏิปักษ์ต่อการสร้างบารมี เอาแล้วถามว่าถ้าพูดตรงกันข้ามแล้วการให้ทานเนี่ยนะการสร้างบา ร, รมีนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อบาปอกุศลธรรมอะไรบ้างก็บอกว่าทานนี้การให้ทานเป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภการให้ทานเป็นปฏิปักษ์ต่อความโกรธการให้ทานเป็นปฏิปักษ์ต่อความหลงที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าการให้นั้นเป็น Minuten. การให้ที่ประกอบด้วยปัญญามันรากเหง้าของการให้ทานก็คือ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 เป็นตัวมาทำลายรากแห่งกุศลก็คือโลภะโทสะและโมหะเพราะว่าโลภะนั้นมันยึดติดในในอะไรในทายธรรมมันยึดติดในของของที่เราจะทำบุญเช่นว่าจะให้อะไรเป็นทานในแม้ของนี้มันมันน่าติดใจเหลือเกินอย่างเสียดายอยู่ว่า ง, งั้นเถอะไอ้ความเสียดายเนี่ยนะหรือความยึดติดความที่ไม่อยากจะพลากไม่อยากจะจากของเหล่านั้นเลย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 แนวไทยธรรมของที่จะให้เนี่ยแมมันน่าติดหน้าค้องสองไม่ค่อยชอบผู้รับก็โกรธผู้รับมันก็โกรธนิดนหน่อยหน่อยหาเรื่องตาหนิจนไม่ได้ให้เหมงนนเถอะหาช่องทางที่จะตาหนิดูหมิ่นเยียดย้มจนไม่ได้ให้และการให้ก็มร่วยมีผลต่อไปอย่างไรก็เลยไม่มีการให้เราไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะว่ามูสัตว์ทั้งหลายโดยปกติอยู่ด้วยความโลภในวัตถุ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 อย่างเช่นอุโบสถเป็นต้นเนี่ยแหมมันปฏิตรึกต่อความโลภติดใจในรถติดใจในความอร ե ศอร่อยติดใจในเครื่องประดับเครื่องแต่งตัวที่รับที่นอนเป็นต้นความโกรธละ่ะกลัวหิวมากเลยใช่ไหมโทสะถ้าหิวก็โกรธไม่ชอบหงุดหงิด ร, รําคาญเป็นต้นความลุ่มหลงรักษาศีลไม่รู้มันจะมีผลมีประโยชน์อะไรต่อไปแต่ถ้าผู้ที่รักษาศีลประกอบด้วยปัญญาก็รู้เลยว่าผลแห่งการรักษาศีล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 ถ้าเทียบกับซัพ์ผู้รักษาอุโบสถเพราะว่าผู้ที่รักษาอุโบสถที่ประกอบไปด้วยองค์8ปดที่พระอริยะสันเสริญเป็นต้นเนี่ยนะก็สามารถที่อยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆนั้นในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเปรียบกับสมบัติของมนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรจากซัพ์ของคนยากเท่าไงรั์ของคนกำพร้าซัพ์ของคนอนาถาที่เดือดร้อนเนี่ยนะถ้าเทียบกับรั์ในสวรรค์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 ผู้มีศีลจึงตำหนิดตัวเองไม่ได้ท่านผู้รู้เป็นต้นไข้ครวญพิจารณารอบคอบแล้วติดเตียนไม่ได้เพราะศีลเป็นปฏิปักษ์ต่อความคดความงอทุกโทษทางกายและทางวาจาที่จะสร้างความเดือดร้อนให้ในปัจจุบันและสัมปรายภพนะท่านศีลจึงเป็นปฏิปักษ์ต่ อ, อความประพฤติที่ไม่ดีทางกายและทางวาจา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 ก็ไปจนเรียนจบวิชาพอเรียนจบหมดเบ็ดเสร็จก็กลับมาจะ ก, กลับมาหาที่นี้ไอระหว่างถ้าเรากลับไปพ่อของเราก็ต้องแต่งตั้งให้เป็นพระราชาและอีกคนหนึ่งก็จะได้เป็นตาแหน่งเสนาบดีไอาการที่จะได้เที่ยวบ้านเมืองอื่นๆยากมันเที่ยวก่อนดีกว่าก็เลยเที่ยวก็เที่ย ว, ยวไปทางเมืองพาราสีก็ไปเที่ยวไปตามภาษาคนหนุ่มที่กาลังจบวิชาใหม่ๆเี่ยนะ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 การสวยวัตถุ ก, กรรมเราไม่ต้องการวัตถุ ก, กรรมไม่ต้องการลาบยศตําแหน่งใดๆทั้งนั้นเราจะบวชถ้าเราไปกับเพื่อนไม่มีสิทธิ์ได้บวชแน่หลบไปดีกว่าก็เลยหลบหลีกไปไกลๆทีนี้ผู้ราชรถก็มาถึงก็มาประโคมบอกว่าคนเนี้ยดูปุโรหิตก็มาดูตํารานะใช้ตําราดูลักษณะแล้วว่าเออครองราชสมบัติได้เป็นพระราชาได้ถือว่าเป็นเป็นผู้ที่มีบุญก็เลยแต่งตั้งให้เป็นพระราชา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 มานั่งเหมือนคนกัมพร้าบอกโอ้ยเหมือนคนกัมพราเลยนะบอกว่าข้าพเจ้าเป็นพระราชาเขางกันเราบอกฐานะของตัวเองว่าเป็นพระราชาเราบอกว่าท่านเป็นคนกัมพราในพระประเจรท่านก็บอกว่าใครที่สละกามได้แล้วเขาไม่เรียกว่ากัมพราหรอกแต่พวกที่เป็นกัมพร้าที่แท้จริงก็คือพวกที่ยึด ต, ติดนะติดข้องในวัตถุกรรมทั้งหลายถึงกขนาดว่าพบต่อ ต, อตอไปนี่กลายเป็นคนกัมพร้าแน่อนาคตชาติต่ อ, ต, อต่อไปจะกลายเป็นคน กัมพราส่วนผู้ที่ละกิเลสละบาปอากุศลได้หมดแล้วเขาไม่เรียกว่าคนกัมพรารอกนี่พระโพธิสัตว์บอกเออแล้วบวชมันดียังไงพระประเจ ก, ก็กล่าวถึงคุณของการบวช ก, ก็กล่าวถึงอริยะวงทั้งหลายว่าข้อปฏิบัติของพระอริยะเป็นอย่างไรเนี่ยเสร็จแล้วบอกโอ้ขั้นก็บวชได้อะแต่ข้าพเจ้าคงบวชไม่ได้หรอกโอยวัตถุมันอะไรนะ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 เพราะท่านเป็นผู้ที่มีอนาคตังสยานเนี่ยนะป้าพระเจกเนี่ยรู้อนาคตเป็นอสงไขยนั่นแหละพัทนท่านก็รู้อยู่แล้วว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเอาบวชเธอโอ้ยบวชไม่ได้หรอกเนี่ยติดข้องในลูกหลานเหลือเกินเนี่ยนะติดในก็บอกว่าจะเล่าอุปมาให้ฟังก็กว่าบินอยูชนในโลกนี้บางคนจะรู้เนื้อความได้ก็ต้องอาศัยอุปมาก็บอกว่าเหมือนกับแม่น้ําคงคาเนี่ยเป็นแม่น้ําที่ไหลหไปสู่มาหาสมุทร นี่มันก็มีซากช้างตัวหนึ่งตายตายท่ามกลางแม่น้ำคงคาก็ลอยเป็นศพช้างลอยอือเต็มเลยนะก็มีกาตัวหนึ่งเป็นกางโงกเขาแล้วก็บินไปเจอซากช้างเขาดีใจดีใจมากเราไม่ต้องไปหาอาหารที่อื่นแล้วกินเสร็จน้ำก็อยู่ใกล้ๆก็ดื่มน้ำได้เลยดื่มกินเสร็จก็มีแล้วก็มีเรือมีสาเภาให้ล่องลอยไปเรื่อยๆ โอ้ยขอเกาะซากช้างนี่แหละต่อไปอ ก, กานั้นก็ไปไปจนถึงใกล้ถึงปากอา่าวปากทะเลก็ไม่ยอมบินออกเสียดายสเสบียงคำว่างั้นเสียดายเสบียงเสียดายซากช้างก็ะจะไปหาลาบก้อนโตขนาดนี้ที่ไห น, นอีกคว่า ง, งั้นขอติดลาบอันนี้ต่อไปก็เลยติดข้องในวัตถุเหล่านั้นติดก็ปลายไปไ ป, ไปถึงน้ําไปสถานที่ที่นกตัวเล็กๆจะบินข้ามไม่ได้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 บอกโอเขาก็พูดแค่นี้เลยคำว่ากันบัณฑิตเขาก็แนะนํากันขณะนี้และถ้าพูดมากกว่านี้มันนัาตแล้วบอกนายคำว่ากันนี่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นทาตของใครท่านก็เหาะจากไปบวชไม่บวชก็ตามใจท่านก็แล้วกันนะึคิดเอาก็แล้วกันไม่บวชก็อยู่ไปเสร็จแล้วพระประเจ ก, ก็เหาะไปเหาะข้ามหัวนี่อะไรไปพระราชา บ, บอกอเว่มันวันละต่ำมันคนระดับล่างๆเป็นคนใช้เราเหาะข้ามหัวเราไปได้มัต้องดีแน่บวช ด, ดีกว่าก็เลยบอก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 ปทุสร้ายผู้อื่นก็มีแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของวิตกนั้นนั้นก็เห็นเลยว่าอากุศลวิตกเป็นสิ่งที่มีทุกโทษมากเนคขมมะก็น้อมไปเพื่อจะเจริญกุศลให้กุศลเกิดได้บ่อยเกิดได้ยาวและก็เกิดได้อย่างต่อเนื่อง